สารแพง่งคนเรามันมีประสาทสัมผัสนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนะแล้วมันก็มีสิ่งที่มากระทบเราไม่ว่าจะเป็นจากภายนอกหรือจากความคิดของเราเองความรู้สึกของเราเองพวกเนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาให้เรารับรู้ได้พอรับรู้ได้แล้วมันก็เปลี่ยนไปไม่ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่ อ๋อพอเห็นมองดูแล้วเออมันเป็นผู้รู้นี่นะเห็นแล้วมันชัดประชัดยิ่งเบาเบาบาเบใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วนี่เราไม่เห็นไม่เห็นเราเห็นแค่ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแต่เราไม่เห็นว่าเราอยากมันเป็นอะไรเรามีตัววัดมีตัววัดมีตัวตั้งตลอดแต่ไอตรงนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ด้วยแต่เราจะพลาดจะข้ามไปอันนี้เราก็รู้เราก็ต้องรู้ไปว่านี่เรากําลังบอกว่าใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วอันนี้มันเป็นความที่เราเข้าใจผิด ในเรื่องสาระสําคัญเลยนะว่าสิ่งสิ่งที่เราบอกว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะเป็นผู้รู้จะต้องบรรลุทําอะไรพวกนั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวเราสามารถรู้ได้นี่ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งใดที่เราสามารถรับรู้ได้อธิบายได้บอกออกมาได้แม้ว่ามันจะเป็นความรู้สึกที่เบามากลงมากหรือในทางตรงกันข้ามเราคิดว่าเราผิดแน่ๆเลยทำยิ่งทํายิ่งหนักยิ่งแน่นยิ่งเตือนยิ่งื่อเราบอกอันนี้มันผิด ในเมื่อบอกมันผิดก็ต้องมีถูกบอกอันนี้ถูกมันว่างมันโลมก็ต้องมีผิดแต่แพระเจ้าท่านบอกว่ามันไม่ใช่นะสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มาเป็นธรรมหรือเป็นผู้รู้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะถูกรู้ได้เพราะว่าเขามีที่ไปรู้หรือเมื่อมีที่ไปรู้แล้วเราเรามีความสามารถอะไรที่เราจะไปรู้ตัวนั้นได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแก่เราในความรู้สึกของเรามันมีแต่ รับรู้รับรู้เป็นสิ่งที่ถูกรู้ทั้งนั้นจะเรียกว่าโลกก็ได้ท่านอาจารย์ตอนนี้จะใช้คำว่าโลกมีแต่โลกทั้งนั้นเลยเมื่อมันเป็นโลกมันเป็นโลกมันก็อยู่ภายใต้กฎของอนิจจังสุขนานันตาคือว่ามันจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปไม่ว่าเราจะไปทําอะไรกับมันหรือไม่ก็ตามแล้วทําอยู่ตรงไหนก็ทําอยู่ตรงนี้แะรตรงที่รู้ว่ามันเป็นโลกทั้งหมดนี่แหละที่เรารับรู้ได้เราไม่ต้องแสวงหาทำเลยเราแค่รู้ว่ามันเป็นโลก รับรู้แล้วละไปรับรู้แล้วปล่อยวางไปอันนี้แหละคือธรรมแต่ไม่ต้องไปหาถ้าหาธรรมฉันเป็นธรรมหรื อ, อยังอันนี้เราเป็นโลกแล้วเพราะเรากำลังหาธรรมเราหาเองไม่ได้นะครับมันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเรามีแต่โลกทางนั้นแต่เรารับรู้ขึ้นมาไม่ว่าโอเคจะเป็นความสิ้นทึบมากเลยแล้วก็รู้แล้วก็ผ่านไปแต่รู้แล้วไม่ผ่านก็แปลว่าเราไปเช้าสีกลับมาเราไปจัดการมันมันก็เป็นโลกแต่เราไม่รู้ตรงนี้ ผู้ปฏิบัติก็จะติดกันอยู่2อย่างสาอย่างก็คือว่าไม่รู้เลยว่ากําลังมีอะไรอยู่กําลังรู้สึกอะไรอยู่กําลังเป็นอะไรอยู่กาลังคิดอะไรอยู่หรือไม่ก็เวลามันเกิดอะไรขึ้นมาอย่างเช่นเบามากโล่งมากหรือว่าอย่างนี้ใช่เลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าเรากําลังชอบมันพอใจมเราไปให้ท่ามันแล้วแล้วแค่เรารู้ต้อถามว่าเอ้าแล้วเราจะทํำยังไงแล้วก็รู้ลงไปตรงนั้นเลยณะเดียวนั้นเนี่ยเรากำลังพอใจมันด้วยเรากำลังรู้้นีใช่ต้ถามว่าเราทําไงแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ได้ยังไงล่ะ เขาต้องเข้าใจเสียให้ถูกก่อนจริงๆจังๆว่ามันมีแต่อย่างนี้ยมีแต่สังขารมีแต่โลกทลั้งนั้นเลยครับรู้มันก็ผ่านไปหมดผ่านไปหมดผ่านไปหมดพระพุทธเจ้าท่านเป็นโล ก, กวิธูเราแปลว่าผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งคำนี้มีความหมายมากนะรู้โลกนะแต่ไม่เลยไปจัดการกับโลกเลยนะพระพุทธเจ้าท่านมีทุกอย่างมีความรู้สึกมีอะไรเหมือนกนอับเรานี่ยแหละแต่เรามีเกินกว่าท่านน่นคือเรามีความยบดเนี่ย คือเราไม่ได้อยู่เราไม่ได้รู้โลกเราเป็นโลกเวเราสบายเราก็ชอบเวลาเราไม่สบายเราก็แก้ไขผู้ปฏิบัตินี่ก็คือว่าจะพยายามหาหาหนทางจะดูจิตนั่งสมาธิเราเอาเอาผลไว้ว่ามันจะต้องสบายแล้วงโปรโต้องโล่งแล้วมันจะอยู่ได้ไหมละ่ะก็เนี่เมื่อสิ่งนี้เราทําขึ้นมาเราไปสร้างขึ้นมาเราไปทําเราไปสร้างขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วถ้ามันเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปตามเหตุเนีไยมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันจะอยู่ได้ไงท่านจะนั่งสมาธิจน สามวันเจ็ดวันจะได้เหรอไม่ขยับตัวมันก็เป็นไปไม่ได้ถ้าจะมีความรู้สึกโปร่งร่มสบายตลอดได้เลยมันก็เป็นไปไม่ได้หรือท่านจะหนักจะทึบจะตื้อต่อไปเลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท้าเลยฮะบอกท่านบอกว่าไม่ไหวก็ท้าเลยทาอยู่เฉย่หยุดแล้วดูมันดูที่ว่ามันจะเปลี่ยนไหมถ้ามันเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาท่านเนี่ยท่านก็จะเห็นแล้วมันก็ไม่เที่ยงนะก็มีแค่นั้นเราไม่ทําอะไรมันมันก็เปลี่ยนจะเป็นความรู้สึกที่ดีมากมายยังไงท่านประคับประคองไว้เถอะมันก็เปลี่ยน แต่ท่านจะไม่เห็นตัวที่ท่านพยายามประคับประคองไว้อย่างเช่นวันนี้จิตดีมากๆเลยพยายามประคองไว้ไม่อยากไปอยู่กับใครไม่อยากไปยุ่งกับใครพยายามรักษามันไว้นี้เราไม่รู้หรอกเราเสร็จมาแล้วเนยเราเห็นเราเราไม่เห็นตรงนี้แต่ถ้าเราเห็นมันอ๋อมันก็เป็นธรรมดานะ้มันประเกิดเหตุมันเป็นเพราะเหตุอะไรก็ช่างมาแต่ตอนนี้เรารู้อ่ะผัสสะหรือความความรู้ของเราที่เรารับรู้มันมีแค่ตรงเนี้แล้วก็จบก็แค่รู้มันมีอ๋อมีให้รู้ไงถ้าเราเข้าใจตรงนี้ซะ ความข้าใจเสียใหม่ว่ะรู้ทุกอย่างแต่ไม่ติดอะไรสักอย่างหนึแล้วมันจะมีอะไรล่ะลก็มีแต่หน้าที่มีแต่โลกที่เราจะเจอกันมาทุกวันทุกวันอย่างเงี้ย้อเท่านั้นที่ทําก็มีเท่านี้จะต้องทําเท่านี้เองไม่ต้องไปแก้ไขแต่นี้ก็จะสงสัยาอาจารย์บอกอันนี้ผิดนี้ทําไม่ถูกอันนี้แล้วแล้วเราจะต้องไปทำํำเราก็ไปหาที่พยายามทำให้มันถูกอีกคือที่พยายามมาฟังมาพูดมาบรรยายให้ตรงนี้เพื่อให้เห็นว่าจริงๆมันคืออะไร จะถึงเวลาที่ของทีมันเกิดเกลียดใจแก่ตัวเราแล้วเนี่ยสติท่านต้องมาสติมันต้องพร้อมด้วยปัญญาว่าอ๋อที่เรารับรู้เนี่ยนะมันแค่โรคนะมันแค่สังขารนะมันต้องเปลี่ยนแล้วก็ผ่านไปอย่างที่อย่างที่ท่านรู้สึกถ้าเกิดแค่รู้แล้วไม่สนใจมันรู้แล้วมันจะเป็นยังนั้นใชงไหมดูมันเฉยๆอย่างนี้มันจะผ่านไปเองเพราะว่าเพราะว่าไอ้ทุกสิ่งสุกอย่างที่ท่านถ้าไปเกาะขึ้นมาไปถาขึ้นมาว่าจะโดยเข้าใจหรือไม่เข้าใจพลังเผิดอะไรขึ้นอยู่เฉยๆนะ มันก็จะผ่านไปนก็เป็ น, ย น, น, นอย่างนั่นก็มีนั่งอื่นให้่านเห็นอยู่เหมือนเดิมถ้าเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่รับรู้สิ่งที่เกิดแล้วก็ดูมันดูมันให้เป็นอะไรก็ดูให้รู้ไงให้เข้าใจมันพอพอรู้เขาเข้าใจมาแล้วแล้วเราจะไปเอาอะไรล่ะครับเราจะไปยึดอะไรอ่ะแม้แต่สภาวะที่ดีเลิหรือสภาวะที่มันไม่ดีมันเปลี่ยนหมดอ่ะถ้าเราเราวางใจของเราเป็นอย่างนี้นะครับมันก็ทุกอย่างมันก็จะแค่ผ่านมาให้ท่านรู้จักเข้าใจแล้วก็ผ่านไปผ่านมาแล้วผ่านไปตลอดชีวิตจนวันตาย อย่นี้จริงๆที่ผมเข้าใจเป็นอย่างนี้<พ> อ, อ่านใจ <พอ S 1> ตัวเองอเป็นที่รู้เนี่ยก็คือเราไปเป็นไปอยู่เป็นผู้ถูกรู้ไปก่อนอ่าถผู้ถูกรู้ก็คือเป็นไปเป็ น, ปนมสมมติว่าอตอนนี้รู้สึกเป็นอย่างไงรู้สึกว่ามันไม่ดีใช่ไหมรู้สึกว่าร่างกายมันไม่ดีรู้สึกสภาว่ามันไม่ดีเลยเี้ยแล้วก็รู้แล้วก็จบเนี่ยแล้วไม่ใช่บอกว่าเอ้ยเราเป็นผู้รู้ไหมอันนี้เราก็ตรงรู้เรากำลังเอ๊ยเรากําลังเอ๊ะเราเป็นผู้รู้ไหม ถูกหรื อ, อยังทําถูกไหมไอ้ตรงนี้มันเป็นสังขารที่เกิดขึ้นมาเป็นโลกเป็นโลกอันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ตาไปติดอยู่ของเดิมซึ่งมันแบบมันเป็นของเก่าอาดีตเป็นเป็นวันแล้วแต่ก็ยังมาเอ๊ยเมื่อวานนี้ปฏิบัติยังไงตอนนี้เราเป็นผู้รู้หรื อ, อยังปัจจุบันนี้คือว่าตอนนี้เราเป็นผู้รู้อย่างนี้ไอ้ไอ้ความคิดนี่มันเกิดขึ้นมาในใจรู้ตรงนี้เลยแล้วก็ผ่านไปถ้าเรายังหาที่ถูกอยู่มันจะไม่มีหรอกครับที่ถูกไม่ต้องทาคือรู้แค่เนี้ยรู้เดี่ยวนี้เลยอ่ะ ทุกคนจะพลาดตรงที่ว่าสติมันมันไม่ทันขณะจิตที่มันเกิดขึ้นตรงนี้หาบ้างหรือว่าทำยังไงดีหรือทําอะไรมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อยากจะทําเหมือนเดิมมันก็เสร็จหมดแล้วครับเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันแล้วไงมันเป็นของเก่าสภาพว่าเก่าความคิดเก่าๆซึ่งเอามาทบทวนคิดทบทวนหรือไม่เขาพยายามไปอ่านว่าเอมันเป็นยังไงเทียบกับตําราคนอื่นเทียบกับอะไรตรงนี้มันใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่เราทาถูกและอย่างนี้คือมันจะวนเวียนอยู่ตรงนี้ผู้ปฏิบัติที่พยายามพยายามจะวิ่งหาทาง หาทางไปถึงธรรมะมันไม่ถึงถ้าดินอยู่เขาทําให้ปล่อยวางไงปล่อยวางทุกอย่างเลยที่รับรู้ได้เรารับรู้ได้ปล่อยวางไปปล่อยวางไปคือมันจะมันจะพลานกันแค่ตรงที่มันดีกับไม่ดีนี่แหละดีก็เอาไว้กันชอบอแล้วก็หาว่าทำยังไงไงเรามายังไงแล้วก็พยายามจะทําให้เหมือนเดิมแต่พอไม่ดีก็พยายามยจะแก้ไขสิ่งที่ทำมามันก็เลยไม่เป็นปัจจุบันเสียทีมันไม่ได้รู้รแล้วรู้แล้ววางเสียที ใจต้องเข้มแข็งใจต้องเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นเต็มร้อยเลยว่ามันเปลี่ยนแน่ๆไม่ว่าสภาวะที่มันจะไม่ดียังไงก็ต้องมันเปลี่ยนมันไม่ต้องสนใจอยู่ที่ดียังไงก็ไม่ต้องหลงไหลแล้วมันจะอยู่กับเราตลอดเดี๋ยวเปลี่ยนแน่นอนพลังอารมณ์ดีๆเราไปเจอคนด่าเปรี้ยงเดี๋ยมไปหมดแล้วนั่นนี่มันคือว่ามันเห็นช้าๆไปแล้วมันไม่ใช่ทีนนี้พอเราจะพยายามจะกู้มันกลับขึ้นใหม่แล้วก็เสียอีไม่รู้กี่รอบแล้วเห็นไหมเนี่ยสังขารมันหลอกกินเราตลอดเลยล่ะเราพยายามสติให้มันทัน ฐานอย่างนี้แล้วต่อไปท่านก็จะเห็นแค่รับรู้มันแล้วก็ผ่านไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปให้คําัําเปิดความไม่ต้องให้ค่าอะไรนะมันผ่านไปเองอันนี้มันต้องใช้การฝึกฝนจริงๆแล้วก็ใจแข็งจริงๆที่จะดูมันที่อาจารย์เคยพูดรถไฟจะถล่มดินจะถลายก็ต้องดูอันนี้จริงๆนะต้องใจแข็งเปใครแข็งขนาดนั้นเขาบอกมันอยู่ฟากตายจริงๆตายเป็นตายดูมันจริงๆใจเด็กขนาดนั้นได้หรือเปล่า นิดนึงแล้วก็มาแก้ไขยามจับจะพระจับหนังสืออะไรก็นะมไม่ใช่ถางตรงๆแต่ว่าถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็เอาแต่ว่าอย่าให้เป็นเคยชินบางคนอาจจะชินว่าจับพระหรือว่าให้อาจารย์อาจารย์ช่วยล้างช่วยอะไรโอเคแต่มันจะติดนะระเด็ดไว้เลยเป็นไงเป็นกันถ้าไม่ไหวจริงก็นอนอยู่เฉยๆนอนดูมันอยู่เฉยๆก็ได้บางทีผมก็ไม่ไหวเหมือนกันก็ต้องนอนนิ่งๆเพราะมันย่าแย่นอนดูมันไปอย่างนี้มันก็หายไปเอง พอเราเราเข้าใจแก่ใจมันปรากฏแก่ใ จ, ใจจริงตอนนี้เราก็จะมีข้อแรกความความมั่นใจว่าเออใช่นั่นแหละคีอเราไม่ยุ่งกับมันมันก็ผ่านไปจริงๆรนะครเช้าท่านจะ ก, ะจก็จะคล้ายๆกับวางให้ยลงวางให้ขึ้นแต่มันจะมีของใหม่มานะมาหลอกท่านตลอดเวลาแหละครับสติท่า น, นก็ต้องมาอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเมีใครสงสัยไหมถ้ามันมีปฏิกิริยาหรือมีอาการที่เธอบอกได้มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดไม่ใช่ผู้รู้หรอก นั่นอย่าไปค้นหาผู้รู้ให้เห็นได้มีแต่สิ่งนี้ถูกรู้เท่านั้นมีใครสงสัยไหยอย่ามาฝึกสักตระดูสับตระวารู้สับตระเห็นเนี่ยในขณะที่จิตมันมีปัญหามากจิตมีอารมณ์มากมันจะสูญเสียพลังงานไปด้วยเช่เหตุมันยังไงมันก็ชนะมันยากไม่สามารถที่จะสอบตระดูสับตระวรู้สับตระเเห็นได้ อ่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปสนใจไปดูอย่างอื่นถ้าเราไปต่อสู้มันยากาศเป็นกดแต่ถ้าสมมติว่าเราฝึกมาจะชำนาญแล้วเนี่ยมันมีปฏิกิริยาเล็กๆน้อยๆแล้วก็เริ่มเห็นหมดตั้งแต่ตั้งแต่มันเริ่มคิดเริ่มนึกเริ่มตึกเริ่มตองเริ่มปรุงแต่งเริ่มมีอารมณ์เนเราฝึกมาเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องหนีนะอันนี้เราก็สามารถที่จะฝึกศัพท์ปดูมาตั้งแต่มีอารมณ์เล็กๆน้อยๆมีความคิดมีอารมณ์เล็กๆน้อยๆก็เห็นหมดแต่ส่วนใหญ่เราจะพลาดคือว่า เราไปรู้เท่าทานตอนมั ม, มีอารมณ์มากอารมณ์แรงตอนที่ตอนที่เรามีชิพประจําวันไม่ได้มีอารมณ์อะไรแรงๆเนีย่ยไม่ได้มีความทุกข์แรงๆเนีย่ยเราไม่มีเราไม่ได้สึกสติ case, รู้เท่าทานเลยว่าเราคิดอะไรมีอารมณ์อะไรเราไม่ได้เราไม่ค่อยได้สึกเรากลายเป็นผู้ผู้คิดคือเราเป็นผู้คิดเองเป็นผู้นึกเองผู้ปรุงแต่งเองผู้มีอารมณ์เองตลอดเวลาเราไม่ได้สึกให้เห็นว่าเป็นผู้ดูหรือผู้รู้หรือผู้เห็นความคิด หรือเห็นอารมณ์หรือเห็นผู้ที่กําลังคิดอยู่ผู้ที่กาลังมีอารมณ์อยู่ผู้ที่กําลังมีอาการใดๆอยู่เราไม่ได้สุกให้เห็นเหมือนั้นคือเราเป็นผู้เป็นน่ะเป็นผู้เป็นเองตลอดเวลาเป็นผู้คิดเองเป็นผู้มีอารมณ์เองเป็นผู้มีอาการเองเป็นผู้ไม่พอใจเองเป็นผู้หงุดหงิดเองเป็นผู้เสียใจเองเป็นผู้ดีใจเองเรากลายเป็นเป็นผู้เป็นเองไม่ได้เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้ที่กําลังเป็น ไม่ได้ดูหรือรู้หรือเห็นผู้ที่กำลังเป็นอยู่เราไม่ได้ฝึกดูรู้เห็นตั้งแต่ที่มันมีอาการเล็กๆน้อยๆเราไม่ได้เราไม่ได้ฝึก